วัตถุประสงค์สิบอย่างวงเล็บหนึ่งพิกษุจงใจพยายามน้ำอสจิสีเขียวเคลื่อนต้องบัดสังขาที่เศษวงเล็บสองพิสูจนจงใจพยายามน้ำอสจิสีเหลืองวงเล็บสน้ำอสจิสีแดงวงเล็บสี่น้ำอสจิสีขาววงเล็บห้าน้ำอสจิสีเหมือนเปลี่ยนวงเล็บหน้ำอสจิสีเหมือนน้ำท่าวงเล็บเจ น้ำอสุกิสีเหมือนน้ำมันวงเล็บ8น้ำอสุกิสีเหมือนนมสดวงเล็บเกน้ำอสุจิสีเหมือนนมสม้มวงเล็บสิบน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอบวบสังขารทิเศษสุทธิกะจบ